อภินันทสูตรว่าด้วยความชื่นชมธาตุสีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้ใดชื่นชมปัทวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกขผู้ใดชื่นชมทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกขผู้ใดชื่นชมอาโปธาต ผู้ใดชื่นชมเตโชธาตผู้ใดชื่นชมวาโยธาตผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกผู้ใดชื่นชมทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายแต่ผู้ใดไม่ชื่นชมปัทวีธาตผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกผู้ใดไม่ชื่นชมทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกผู้ใดไม่ชื่นชมอาโปธาต ผู้ใดไม่ชื่นชมเตโชธาตผู้ใดไม่ชื่นชมวาโยธาตผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์อภินันทสูตรที่หจบ อุ ป, ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธาตุสีเป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปฐวีธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งอาโปธาต์แห่งเตโชธาต์แห่งวายโยธาต์นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายแต่ความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปัทวีธาต์นี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระงับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ ความดับความระ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอาโปธาต์แห่งเตโชธาต์แห่งวายโยธาต์นี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระ ง, งับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะอุปาทสูตรที่เจ็จบ สมณะพราหมณสูตรว่าด้วยสมณะพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายท่าสี่ประการนี้ท่าสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งปทวีธาตุสองอาโปธาตุสเตโชธาตุสวายโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหม์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ขุ่นโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน สมณพราหมณสูตรที่8จบเก้าทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคโครงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายท่าสี่ประการนี้ท่าสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปัทวีธาตุสองอาโปธาตุสเดโชธาตุ 4. วายโยธาตุสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงและถึงด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนื้อความโดยละเอียดพึงเทียบกับสูตรที่8ทุติยสมณพรามณสูตรที่9จบ ตติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขโครุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสมณหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดปัตวีธาตุความเกิดแห่งปัตวีความดับแห่งปัตวีธาตุปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัตวีธาตุ ไม่รู้ชตดอาโปธาต์ละถึงไม่รู้ชตดเตโชธาต์ไม่รู้ชตดวายโยธาต์ความเกิดแห่งวายโยธาต์ความดับแห่งวายโยธาต์ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวายโยธาต์สมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทาให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพิกสุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดปัตวีธาตุความเกิดแห่งปัตวีธาตุความดับแห่งปัตวีธาตุปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัตวีธาตุสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอาโปธาตุละถึง สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งร <ky Teddy> ู้ชัดเตโชธาตสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวายโยธาตความเกิดแห่งวายโยธาตความดับแห่งวายโยธาตปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวายโยธาตสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทาให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันตติยะสมณพรามนสูตรที่10จบจะตุทวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1>, 1. จตุธาตุสูตร 2. ปุกเพสัมโพทสูตร 3. าอาเจริงสูตร 4. โนเจทังสูตร 5. เอกันตะทุกขสูตร 6. อภินันทสูตร 7. อุปาทสูตร 8. สมณพรามนาสูตร 9. ทุติยสมณพรามนาสูตร 10. ตาติยะสมณพรามนาสูตรทาตุสังยุตจบบริบูรณ์ 4. อนามตคสังยุตหนปฐมวัคหมวดที่หนึ่งตินกัทสูตร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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอาวิชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกัน ครั้นรวมกันแล้วจึงมัดมัดละสีนิ้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเธอทั้งหลายสวยความทุกข์ได้รับความลําบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายคหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงตินนะกัทถสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปัปทวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษพื้นปั้นมหาปัฏภีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่ามเมล็ด ก, กระเบาแล้ววางไว้สมมติว่า นี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปัทพีนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไป อุปมานี้ฉันใดอุปไมัยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายสวยความทุกข์สวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงปทวีสูตรที่สองจบ สูดว่าด้วยน้ำตาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลาดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้กับน้ําเนมหาสมุททั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วน้ําตาที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้นี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยถูกละถูกละเธอทั้งหลายรู้ทมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยการนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้าในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวของบุตรของทิดาความเสื่อมของญาติความเสืออเส่อมแห่งโพคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงอสุสูตรที่สจบ 4. ีขีรสูตรว่าด้วยน้ำนมพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรน้ำนมของมารดาที่เธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มแล้ว กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วน้ำนมของมานดาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยถูกละถูกละ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 ๕ปปัพะตะสูตรว่าด้วยภูเขาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ นั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนานนักนาะมิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปี พระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าอาจอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยต์กว้างหนึ่งโยต์สูงหนึ่งโยต์ไม่มีช่องไม่มีโพรงบุรุษพึงเอาผ้าคแคว้นกาสีลูกภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนานนักหนาอย่างนี้บรรดากลับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงภิกษุเพราะเหตุนี้แหละ จึงควรเบื่อหนายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงปรัะตะสูตรที่หจบ 6. สาสะปะสูตรว่าด้วยเมล็ดผักกาด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 มีใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับนั่นว่าเท่านี้ปีละถึงหรือว่าเท่านี้แสนปีพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าข่าอาจอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยน์กว้างหนึ่งโยน์สูงหนึ่งโยต์เต็มด้วยเมล็ดผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษ พึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้นร้อยปีตอนหนึ่งเมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกวา่าส่วนกลับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนานนักหนาอย่างนี้บรรดากลับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกลับมิใช่ร้อยกลับมิใช่พันกลับมิใช่แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงสาสปะสูที่6จบเจ็ดสาวกะสู ว่าด้วยพระสาวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขกระรงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากเท่าไหร่น้องพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลาย กลับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกลับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่าอาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสีรูปในธรรมวิ น, นัยนี้มีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปี หากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละแสนกับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปไม่ถึงยังมีอยู่ต่อมาสาววกสีรูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนายอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกลับเท่านี้พันกลับหรือว่า เท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นสาวะกะสูตรที่7จจบแปด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 ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญกลับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์กลับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกลับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับ พระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะอาจอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ํำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายมีปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องที่ยวไป สัตว์เหล่านั้นก็เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพราหม์เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายคำนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมผู้นั้นด้ยวยกลราบทูลว่าท่านพระโคดมพระภาศิก ข, ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนก ท่านพระโคโดมพระพาสิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้างคาสูตรที่แปดจบ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 เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงมาทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายอุปมาณนฉันใดอุปไมคขก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชาขีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงควรเพื่อหลุดพ้นทันทสูตรที่9จบ 10. ปุคละสูตร ว่าด้วยบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูดเขครุงราชครือณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับเสียงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ และถึงโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านากระดูกนั้นนำมากองรวมกันได้และกระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึงใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้น พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณภพาสิณีแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคีจกูด ซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชครื้แควมคตเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกขเหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกขและอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะทำที่สุดทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปปุคคลสูตรที่สบจบ พรมวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตินกัตสูตร 2. ปทวีสูตร 3. อาอสุสูตร 4. ขีระสูตร 5. ปัปพตะสูตร 6. สาสะปะสูตร 7. สาวกะสูตร 8. ป้คังคาสูตร 9. ทันทสูตร 10. ปุคละสูตร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 ปูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้มีความทุกข์มีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงสันทิฐานบุคคล น, นี้ว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยเสวยความทุกข์เช่นนี้มาแล้วโดยกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงควรเพื่อหลุดพ้นทุกขตะสูตร ที่หนึ่งจบสองสุขิตะสูตรว่าด้วยผู้มีความสุขพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคโครงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงสันนิษฐานบุคคลนี้ว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยสวยความสุขเช่นนี้มาแล้วโดยกาลานานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงควรเพื่อหลุดพน้น สุขิตาสูตรที่สองจบสามติงสมัตตาสูตรว่าด้วยภิกษุสามสิบรูปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันเขรกงราชครือครั้งนั้น ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณส0สิบรูปทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดาริว่า ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณส0สบรูปนี้ทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เชี่ยวบินทบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุขุนเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์ทางที่ดีเราพึงแสดงทำให้ภิกษุเหล่านี้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นขณะที่นั่งบนอาสนะนี้แหละลำดับนั้น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 เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรโลหิตที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วโลหิตที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะ วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้ <S <S นี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยถูกละถูกละเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วโลหิตที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศรีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลย เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือซึ่งถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่าละถึงเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ และถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านมาช้านานโลหิต ท, ที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่าและถึงถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นในทางเปลวถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นมาช้านานโลหิต ท, ที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่า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 จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูป ก, ก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมันติงสมัตสูตรที่สจบ 4. มาตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นมารดา พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยการนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงควรเพื่อหลุดพ้น มาตุสูตรที่สจบ 5. ปิตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นบิดาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นปิตุสูตรที่หจบ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 จบ